จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาเสริมความสวยงามให้แก่จิตใจเพราะความสวยงามของจิตใจนี้เป็นความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามทางร่างกายเป็นความสวยงามปลอมเพราะว่าต้องเสื่อมหมดไปเวลาร่างกายมีอายุมากขึ้นความสวยงามก็ค่อยๆจากหายไป จนหายไปหมดแต่ความสวยงามทางจิตใจไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามกาลตามเวลากลับจะสวยงามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้น mm hmm. พวกเราจึงมาวาัดกัน mm hmm. เพื่อมาเสริมความสวยงามทางจิตใจเพราะเราอยากจะให้คนรักเราชอบเราเราต้องสวยที่ใจ ความสวยกายนี้ไม่สามารถชนะใจคนได้แต่ความสวยของจิตใจจะชนะจิตใจของผู้อื่นได้ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดผู้ที่มีความสวยงามทางจิตใจยอมเป็นผู้ที่รักและเคารพของผู้อื่นเสมอเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราที่มีพระทยที่สวยงาม ยังมีผู้ที่รักและเคารพมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นรักเราชอบเราขอให้เรามาเสริมความสวยงามทางจิตใจกันโดยเฉพาะคู่ครองที่อยู่ร่วมกันต้องเจอหน้ากันทุกวันความสวยงามทางร่างกายนี้ใหม่ๆก็อาจจะประทับใจแต่พออยู่ได้ อยู่อยู่ด้วยกันไปเจอกันเห็นหน้ากันทุกวันแล้วความสวยงามทางร่างกายก็จะหมดความหมายไปจะอยู่กันต่อไปจะรักกันต่อไปได้ก็ต้องอยู่ที่ความสวยงามของใจสมัยนี้คนเราที่แต่งงานกันแล้วต้องเลิกลากันไปอย่างรวดเร็วก็เพราะว่ามีแต่ความสวยทางร่างกาย แต่ไม่มีความสวยทางจิตใจพอเห็นหน้ากันใหม่ๆก็ชอบกันรักกันก็แต่งงานกันแต่พออยู่ไปด้วยกันไม่นานก็เห็นความไม่สวยงามที่แท้จริงคือความไม่สวยงามของจิตใจก็ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้พวกดาราภาพยนตร์นี้ส่วนใหญ่จะอยู่กันไม่นอดอยู่กันไม่ยืดเพราะจะหลง ที่ความสวยงามของร่างกายโดยที่ไม่ได้ดูที่ความสวยงามของจิตใจเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามก็ชอบกันแต่งงานกันดาราภาพยนตร์มักจะแต่งงานกับดาราภาพยนตร์แล้วไม่นานก็ต้องอย่าร้างกันไปเพราะสวยแต่ร่างกายแต่ใจไม่สวย พออยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีคู่ครองอยากจะอยู่ร่วมกันไปจนวันตายเราก็ต้องมีความสวยงามทางจิตใจถ้ามีความสวยงามทางจิตใจแล้วอยู่ได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรร่างกายจะพิกลพิการหูหนวกตาบอดแต่ถ้ามีความสวยงามทางจิตใจแล้ว จะรักกันไปจนวันตายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาซะมาเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจกันอย่าไปเสริมสร้างความสวยงามทางร่างกายเพราะว่ามันไม่มีวันที่จะทำได้ไปตลอดร่างกายจะต้องแก่ไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นสังขารก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำสัญญกรรมตกแต่งอย่างไร ไม่ช้าก็เลยก็จะไม่สามารถทำได้ดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงกับความสวยงามของร่างกายมากจนเกินไปเพียงขอให้เรารักษาความสะอาดของร่างกายให้ก็พอแล้วความสวยงามของร่างกายก็อยู่ที่ความสะอาดเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยล้างหน้าเลี้ยงตาอาบน้ำอาบท่าให้สะอาด เพื่อจะได้ไม่ส่งปิ่นเหม็นเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับความสวยงามของร่างกายเอาเวลามาเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจกันดีกว่าคุณธรรมที่จะทำให้จิตใจของเราสวยงามนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้อยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกัน สองความกรุณาความสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากสามมุดิตาคือความยินดีความมีความสุขกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นและสี่อุเบกขาคือใจเป็นกลางใจสงบนิ่ง ใจไม่มีอคติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นจเจริญกันให้มากๆาเพราะถ้าเรามีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักอยู่กับใครที่ไหน ก็จะไม่มีใครรังเกียจมีแต่อยากจะให้อยู่ไปนานๆข้อที่หนึ่งคือความเมตตานี้คืออะไรพระเจ้าทรงตรัสว่าความเมตตาก็คือความปรารถนาดีความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นความรักแบบกิเลสความรักแบบให้อย่างเดียวความรักแบบไม่ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ เราให้ความรักไปเหมือนความรักของพ่อของแม่นี่เป็นความรักที่เรียกว่าเมตตาพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากลูกพ่อแม่มีความรักความปรารถนาดีกับลูกอยากจะให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญอยากจะให้ลูกแควงแกร่งปลอดภัยจากภัยอันตรายจากความทุกข์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าความเมตตา ความรักที่พูดที่เรามักจะคิดว่าเป็นความรักนี้ความจริงเป็นความหลงเรารักใครเราก็อยากจะให้เขาทำอะไรตามความอยากของเราเราอยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราเราก็รักเขาแต่พอเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราเราก็ไม่รักเขาแล้วนี่ไม่ใช่เป็นความรักไม่ใช่เป็นความเมตตา พอให้เรามีความเมตตาแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี้จะทําให้เราไม่ผิดหวังจะทําให้เราไม่เสียใจจะทําให้เราไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราให้ด้วยความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเราก็อาจจะเสียใจได้ เวลาบุคคลที่เราให้ความรักนั้นไม่ตอบสนองความต้องการของเราดัางนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขและก็อยากจะให้ผู้อื่นรักเราเราต้องให้แต่ความเมตตาคืออย่าไปหวังอะไรจากผู้ที่รักมีแต่ให้อย่างเดียวให้ความสุขกับเขาส่วนเขาจะรับหรือไม่รับ นั่นเป็นเรื่องของเขาเราให้เขาแล้วเราสบายใจสุขใจบางคนเขาอาจจะไม่ยอมรับความเมตตาก็ได้เพราะเขาอาจจะมีความโกรธความเกลียดเราแต่เราอย่าไปสนใจเขาไม่รับเราก็ไม่ต้องให้เขาก็ได้แต่อย่าไปให้ความโกรธเกลียดความโหดร้ายทารุณกับเขา เช่นเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีเราก็ต้องให้อภัยการให้อภัยก็เป็นความเมตตาอย่างหนึง่งเวลาเราโกรธเราเกลียดใครคิดอยากจะทําร้ายเขาเราก็ต้องระ ง, งับถ้าเราระ ง, งับได้เราก็มีความเมตตาการที่เราจะมีความเมตตาได้เราต้องซอฟ สร้างความเมตตาไว้ในใจเช่นเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราแผ่เมตตาเวลานั้นเป็นการทำการบ้างเป็นการซ้อมยังไม่ได้แผ่เมตตาอย่างแท้จริงการแผ่เมตตาอย่างแท้จริงต้องแผ่เวลาที่เราอยู่ต่อหน้าบุคคลคนอื่นและเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเช่นบุคคลด่าเรา ทำร้ายเราก่นแกล้งเราเราต้องแผ่เมตตาตอนนั้นเราต้องสาธุถ้าเป็นความสุขของคุณที่จะทำร้ายเราด่าเราก็ขออนุโมทนาไม่เป็นไรเรายินดีที่จะให้ความสุขที่คุณต้องการเราจะไม่โกรธไม่เกลียดคุณจะไม่ตอบโต้จะไม่ด่ากลับจะไม่ทำร้ายกับ จะไม่การแกล้งกับเราจะแผ่เมตตานั่นแหละคือการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่อย่างนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้กับช้างที่พระเทวทัตปล่อยให้มาทําร้ายพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาช้างเขาก็รับสัมผัสกับความเมตตาได้เขาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ ไม่เป็นภัยกับเขาเป็นคุณกับเขาเพราะให้ความรักกับเขาเขาก็เลยไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความเมตตานี้ท่านแสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายของเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าเช่นจะไม่ถูกฆ่าด้วยยาพิษ ไม่ถูกค่าด้วยอาวุธต่างๆเพราะว่าไม่มีศัตรูกับใครมีแต่มิตรมองทุกคนเป็นเหมือนมิตรเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่ได้จากการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันมากพอแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องให้ความทุกข์กับเขาเพิ่มขึ้นไปอีกใครเขาทำอะไรแล้วก็หอให้คิดว่าไม่นานเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาให้เหนื่อยยากให้เป็นเวรเป็นกรรมไปเปล่าๆเพราะถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะโกรธเราเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีก<ม>ชีวิตของเราก็จะวุ่นวายต่อการคอยป้องกันชีวิตของเราแล้วก็วุ่นวายกับการไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพราะเราขาดความเมตตา<ม>แต่ถ้าเรามีความเมตตาแล้ว เราจะมองเขาว่าเป็นเหมือนคนรักเป็นคู่รักของเราเป็นภรรยาของเราเป็นน้องของเราเป็นพี่ของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะโกรธไม่ลงเกลียดไม่ลงอาฆาตพยาบาทไม่ลงเมื่อเราไม่มีความโกรธความเกลียดไม่มีความอาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมใจของเราก็จะมีแต่ความสุข อันนี้สมของความมีเมตตาท่านก็พูดไว้ว่าหลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายถ้าเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเราขาดความเมตตาใจเรายังมีความโหดเหี้ยมทารุณอยู่ภายในใจคิดร้ายต่อผู้อื่นความคิดร้ายต่อผู้อื่นนี้มันจะฝังอยู่ในใจของเราเวลาเรานอนหลับปันก็จะโผล่ขึ้นมา ในรูปของการฝันร้ายแต่ถ้าเรามีแต่ความเมตตาให้อภัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นความเมตตานี้ก็จะอยู่ในใจของเราเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีฝันว่ามีแต่คนรักเราชอบเราช่วยเหลือเราให้ความสุขกับเรานี่คือความ เมตตาที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญบ่อยๆเพราะจะทําให้เราเป็นคนที่มีแต่คนรักไม่มีใครเกลียดคนคนที่มีความเมตตามีแต่คนเกลียดคนที่ไร้ความเมตตาดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยงามทางจิตใจขอให้สวยด้วยความเมตตาแล้วก็ข้อที่สองก็ขอให้สวยด้วยความกรุณา ความการุณนาแปลว่าความสงสารขอให้เราเวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลาบากลำบนขอให้เรามีความสงสารและช่วยเหลือเขาตามกำลังของเราและตามความเหมาะสมของผู้ที่เดือดร้อนมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ก็ควรจะทา อย่าเสียดายอย่าหวงสมบัติเข้าของเงินทองเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเก็บไว้เฉยเฉยมันไม่ได้ทำให้ใจของเราสวยขึ้นแต่อย่างใดแล้วเวลาเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาไปกับเราได้แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาช่วยเหลือผู้อื่นเราจะได้ความกรุณาความกรุณานี้ จะทำให้เราเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นนี้จะเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น <c oughs> ดังพระพุทธเจ้าทรงช่วยเหลือต่อสัตว์โลกหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วพระองค์ก็อุทิศชีวิตของพระองค์ที่เหลืออยู่ นับตั้งแต่วันตัดจะลุคืออายุ36พรรษาไปจนถึงอายุ8ปสพรรษาทรงอุทิศ ต, ตนทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกด้วยความสงสารที่เห็นว่าสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเองไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าได้รับคำสอนและนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาคจากสิ่งที่เรารักสิ่งบุคคลที่เรารักได้พระพุทธเจ้าจึงมีพระมหากรุณามีความสงสารอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถจะมีเท่าได้ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเรานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะว่าเงินทองกองเท่าภูเขานี้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้แต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทำได้และก็มีผู้สามารถ รับผลประโยชน์จากพระธรรมคำสอนบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกันเป็นจำนวนมากด้วยอำนาจของความการุณาของพระพุทธเจ้าทรงช่วยเหลือโดยที่ไม่เรียกร้องผลตอบแทนแต่อย่างใดให้แบบให้แบบให้อย่างเดียวช่วยเหลืออย่างเดียวไมต่ต้องการแม้แต่คำว่าขอบคุณ ถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่ต้องเอากับข้าวกับปะไม่ต้องเอาข้าวของเงินทองมาบูชาขอให้บูชาด้วยปฏิบัติบูชาก็คือขอให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทเธเจ้าเถิดแล้วเราจะได้บูชาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราต้องการให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมครสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้มีความเมตตาการุณามีมุทิตาอุเบกขานี่เองที่จะทำให้ใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือความการุณาขอให้เราคอยช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ คนที่ไม่เดือดร้อนหรือ ว, ว่าเดือดร้อนแบบไม่ควรจะช่วยเหลือก็ต้องทําใจอย่าไปช่วยเหลือเช่นคนที่ชอบไปสร้างก่อหนี้ก่อสินแล้วมาขอให้ช่วยเหลือถ่ายหนี้นี้อย่าไปช่วยเพราะจะติดจะเสียนิสัยพอเราช่วยถ่ายหนี้ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานี่นี้เขาต้องเป็นคนที่ถอดถอนเอาเอง เพราะเขาเป็นคนก่อขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองอที่จะช่วยก็ช่วยในเรื่องปัจจัยสีถ้าเดือดร้อนขาดแคลนเรื่องปัจจัยสีนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าถ้าขาดแคลนปัจจัยสีแล้วจะต้องตายไปได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มีหนี่มีสินใช้ไม่ได้นี่ไม่เป็นปัญหายังไม่อดตายยังอยู่ได้ มีหนี้ก็ใช้ไปผ่อนไปถ้าไม่มีก็ให้เขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปถ้าไปช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวก็จะมาก่อหนี้ใหม่อีกสร้างหนี้ใหม่ให้ช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นถ้าจะช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลักหรือช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษานี้เป็นประโยชน์จะทาให เขามีทําให้เขาพึ่งตัวเองได้อย่างมีสุภาษิตของโบราณคนโบราณเขาว่าอย่าให้ปลาให้สอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาเพราะถ้าว่าให้ให้ปลาเขาแล้วพอเขากินปลาหมดแล้วเขาก็จะกลับมาขอปลาใหม่เพราะเขาหาปลาเองไม่เป็นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เขามีปลากินไปจนมันตาย ก็สอนให้เขาหาหาปลาให้รู้จักวิธีหาปลาเช่นเดียวกับเงินทองอย่าให้เงินทองสอนเขาให้รู้จักวิธีหาเงินหาทองเช่นให้เขาไปเรียนหนังสือส่งให้เขาไปเรียนส่งมีให้ทุนการศึกษาให้เขาได้เรียนเรียนหนังสือจะได้มีวิชาความรู้พอเขาจบเรียนแล้วเขาก็จะสามารถไปหางานทำได้ หรือถ้าเขาเรียนวิชาชีพพอเขาจบแล้วเขาก็ไปทามาหากินได้ถ้าเขารู้จักวิธีทากับข้าวทาขนมเขาก็มีอาชีพถ้าเขารู้จักวิธีเย็ยบปักถักร้อยเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขารู้จักวิธีเสริฟสวยเขาก็จะมีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้อย่าให้เงินเปล่าๆให้เงินไปแล้วถ้าเขาเป็นคนไม่ดี เช่นแล้วชอบเล่นการพนันเดิมซูลายาเมาเขาก็จะเอาเงินไปใช้แบบไม่เกิดประโยชน์แต่กลับจะเกิดโทษกับเขาเอง <c oughs> นี่คือความการุณาควรจะมีแต่ก็ต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะว่าควรจะให้อะไรหรือไม่ควรให้อะไรสิ่งที่เป็นโทษก็ไม่ควรให้เช่นไม่ควรให้อาวุธไม่ควรให้ยาเสพติด ไม่ควรให้สุรายาเมาเพราะของเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์มันเป็ น, ปนโทษแก่ผู้รับอย่างเวลาปีใหม่นี้เราจะมีกระเช้าแจกกันให้กันอย่าใส่สุราเข้าไปอย่าใส่บุหรี่เข้าไปของพวกนี้เป็นโทษต่อเขามากกว่าเป็นคุณใส่ของที่มีประโยชน์เอาหนังสือธรรมะใส่เข้าไปแทนจะดีกว่า ถ้าเขาได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วหูตาเขาจะได้สว่างจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนี่คือเรื่องของความกรุณาที่เราควรที่จะเสริมสร้างอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมีความเป็นอกเป็นใจข้อที่สามก็คือมุนิตา คือความยินดีกับความเจริญกับความสุขของผู้อื่นเวลาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเขามีความเจริญเราต้องแสดงความยินดีถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราควรจะแสดงความยินดีเช่นคนอื่นเขาแต่งงานกันอย่างนี้เราก็ควรที่จะแสดงความยินดี อย่าไปว่าอย่าไปกันแกล้งอย่าไปขัดขวางการของคนอื่นที่เขามีความสุขกันถึงแม้ว่าคนที่เขาแต่งงานนั่นเป็นคนที่เรารักเราชอบก็ตามแต่เมื่อคนที่เรารักเราชอบเขาตกลงที่จะเลือกอีกคนหนึ่งเราก็ต้องแสดงความยินดีเราต้องเป็นเหมือนนักกีฬาถึงแม้ว่าเราจะแพ้ เราก็จะไม่ไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉารือเสีเราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราก็อย่าไปอยากให้เขามารักเราเลยปล่อยเขาไปดีกว่าถ้าเขาไม่รักเราอยู่กับเราแล้วมันก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีแล้วก็ไม่ช้าก็แล้วเขาก็จะต้องทิ้งเราไปอยู่ดีดังนั้นอย่าไป อย่าไปอิจฉาลิสยาอย่าไปขัดขวางเวลาพูดได้รับความสุขได้รับความเจริญหรือเพื่อนเราที่ทำงานเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเราก็อย่าไปอิจฉาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาควรจะแสดงความยินดีเราจะทำให้ใจเรามีความสุขถ้าเราอิจฉาลิสยาใจของเราจะทุกข์และเราจะคิดร้ายต่อเขา แล้วเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเมื่อเราคิดร้ายแล้วเราก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเรามีมุทิตามีความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเราก็จะมีความสุขเวลาคนอื่นผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญและเราก็จะไม่ไปคิดร้ายเราก็จะเป็นคนดีต่อไปได้เราก็จะมีความสุข จะไม่มีใครโกรธใครเลียยเราไม่มีใค ร, รังเกียนเราแต่ถ้าเราไปคิดร้ายไปทำร้ายผู้อื่นเราก็จะกลายเป็นคนน่ารังเกียจไปนี่คือมุติตาขอให้เราพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆเวลามีใครเขาได้ความสุขได้ความเจริญก็ขอให้เราแสดงถ้าเราอยู่ในฐานะที่ควรจะแสดง หรือว่าถ้าเราแสดงอะไรไม่ได้ก็ขอให้เราเฉยๆไว้ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีนี่คือเรื่องของโมดีตาและข้อที่สี่ก็เรื่องของอุเบกขาคำว่าอุเบกขาก็แปลว่าขอให้เราทำใจของเราให้เป็นกลางให้ใจเราไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาขอให้เราปรงไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้ปรงไปที่กฎแห่งกรรมเวลาเกิดอะไรไม่ดีกับเราก็ขอให้คิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราเราอย่าไปตอบโต้หรืออย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเพื่อที่จะเลกเรื่องข้อกรรมต่างๆ อย่าไปทำร้ายผู้อื่นเวลาผู้อื่นเข้าทำร้ายเราขอให้เราคิดว่าเป็นวิบากกรรมของเราเราคงไปทำอะไรไว้ไม่ทำอะไรไม่ดีไว้กับเขามาก่อนวันนี้เราเลยจะต้องมารับข้อกรรมหรือว่าคนที่เรารักเขาเป็นอะไรไปแล้วเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยร้ายแรง หรือเขาเสียชีวิตไปอย่างนี้เราก็ต้องทำใจขอให้เราตรงไปว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้การที่เราอยากจะไม่ให้เกิดนี้จะทำให้ใจของเราทุกข์ไปเปล่า การที่เราร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือคิดอยากจะฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการกระทำที่ฉลาดไม่ได้ช่วยทำให้เรามีความสุขแต่อย่างใดแต่การที่เรายอมปรงได้ยอมรับความจริงว่าเกิดมาในโลกนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย มีการพัดพลาดจากการธรรมดาถ้าเราตรงได้เราก็จะกลับมาเป็นปกติใจของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดหรือเวลาเราได้อะไรมาเราได้เจริญในลาภในยศในสรรเสริญเราก็อย่าไปหลงเราต้องเตือนเราว่าเมื่อมีการเจริญก็ต้องมีการเสรื่อมเป็นธรรมดา เพราะว่าสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเรามาตัวเปล่าๆ เ, เวลาเราไปเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวกับเราไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าหลงเวลาที่ชีวิตของเรากำลังรุ่งเรือง กำลังเจริญก้าวหน้ากำลังได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้เราเตือนว่ามันเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราเพราะอีกครึ่งหนึ่งมันยังไม่มาแต่มันจะต้องมาแน่ๆก็คือความเสื่อมลาบเสื่อมยศความเสื่อมสรรเสริญและความเสื่อมความถูก ความสุขมันจะต้องตามมาเพราะนี่เป็นกฎธรรมดาของโลกไม่มีใครหนีหรือหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถอยู่เหนือมันได้ถ้าเราไม่ไปหลงยินดีกับมันเพราะฉะนั้นเวลามีความเจริญก็อย่า ย, ยินดีทำใจให้เป็นอุเบกขาวไว้และเวลาเสื่อมเราก็จะไม่ยินร้ายเราจะไม่เสียใจ เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้การที่เราจะทำใจให้เป็นอุเบกขาเราก็ต้องควบคุมความคิดของเราให้ได้อย่าปล่อยให้ใจเราคิดมากเพราะเวลาคิดแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกต่อความคิดของเราถ้าเราไม่คิดอะไรใจของเราก็จะไม่มีอารมณ์แต่ถ้าคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ คิดดีก็อารมณ์ดีคิดไม่ดีก็อารมณ์ไม่ดีบางทีเวลาเขาคิดอารมณ์ไม่ดีเราอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่เคยซ้อมหยุดความคิดของเราไว้ก่อนนั่นเองแต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยสามารถควบคุมความคิดได้เหมือนกับเราสามารถควบคุมรถยนต์ได้เวลาเราขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงเราก็จะหยุดรถได้ แต่ถ้าเราควบคุมรถยนต์ไม่ได้เวลาไปถึงสีาตยกเราก็จะหยุดรถไม่ได้รถของเราก็จะวิ่งไปชนกับรถของคนอื่นทันทีฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่มีอุเบกขาก็แสดงว่าเราเบรกเราเบรกใจเราไม่เป็นเราหยุดใจเราไม่เป็นทำใจไม่เป็นพอโกรธก็หยุดไม่ได้พอโลภ ก, ก็หยุดไม่ได้ พอดีใจก็หยุดไม่ได้เสียใจก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆด้วยการท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจต่อไปเวลาเราต้องการจะหยุดอารมณ์ของเราเราจะหยุดได้ทันทีเวลาดีใจก็หยุดเพราะว่าถ้าดีใจไม่หยุดแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราดีใจจากเราไปเราก็จะต้องเสียใจและเราก็จะหยุดความเสียใจไม่ได้ เราต้องหยุดความดีใจก่อนเมื่อเราหยุดความดีใจได้เราจะหยุดความเสียใจได้ด้วยการให้ล้ำลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นรนให้ล้ำลึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราได้มาเท่าไหร่เราก็ต้องเสียไปเท่านั้นนี่คือการทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วเราจะได้ไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายตามมาเราจะทำใจได้เราจะเฉยได้ ใครดาเราเราก็เฉยได้ใครแย่งทรัพย์สมบัติแย้มสิ่งที่เรารักไปเราก็จะเฉยได้เรายอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเอมยอมรับว่ามีมีเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือคุณธรรมสีประการที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเหมั่นเจริญกันบ่อยๆให้มากๆเพราะจะทําให้เราเป็นคนดีเป็นคนน่ารัก เป็นคนที่มีแต่คนเคารพนับถือมีความเกรงออกเกิงใจยังจึงขอให้ท่านบันเจริญเสริมสวยความสวยงามของจิตใจด้วยการเจริญเมตตากรุณามุนิตาและอุเบกขาเพื่อจะนำความสุขและความเจริญที่แท้จริงมาให้กับชีวิตของเราต่อไป